<c oughs> จเจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นมันอังคารที่๙กรกฎาคมพุทธศักราช2545เป็นวันพระวันธรรมบนะัสมรณวันฟังธรรมเป็นวันประกอบคุณงามความดีท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา และมีปัญญารู้รู้ถึงเหตุที่จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงได้เดินทางมาที่วัด mm. เพื่อสร้างเหตุนัน้นๆให้เกิดให้มีผลเกิดขึ้นมาคือความสุขความเจริญที่แท้จริงด้วยการบูชาพระรัตนตรยัยตักบาตรถวายทาน สมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมและถ้ามีเวลาว่างเมื่อกลับไปที่บ้านก็จะปฏิบัติธรรมต่อนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนานี่คือเหตุของความสุขและความจเจริญเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะทำให้กับใครได้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องทำด้วยตัวของตัวเองเหมือนกับการรับประทานอาหาร ไม่มีใครจะรับประทานอาหารให้เราได้เราต้องเป็นคนรับประทานอาหารเองและเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วความอิ่มย่อมตามมาความอิ่มนี่ก็ไม่ใช่เป็นของใครก็เป็นของคนคนที่รับประทานอาหารนั่นแหละคนอื่นจะมาอิ่มแทนเราไม่ได้ฉั้นใดความสุขและความเจริญในตัวเรานั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาเราต้องทำกันขึ้นมา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถที่จะมอบให้กับเราได้สิ่งที่บุคคลอื่นจะมอบให้กับเราได้นั้นก็เป็นเพียงแต่วัตถุข้าวของสิ่งของต่างๆแต่สิ่งของเหล่านั้นหาเป็นความสุขเป็นความเจริญไม่เขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาเป็นวัตถุวัตถุนั้นไม่มีความเจริญในตัวของมันเองความเจริญนั้นอยู่ในใจคน อยู่ในใจของสัร์โลกทั้งหลายผู้ใดมีคุณธรรมความดีงามอยู่ในใจผู้นั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้เจริญผู้ใดไม่มีความไม่มีคุณธรรมที่ดีงามอยู่ในใจผู้นั้นจะหาความเจริญไม่ได้ถึงแม้จะมีฐานะที่ร่ำรวยมีมีฐานะที่สูงส่งเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์เป็นพัฒนาที่ประดี เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนายพลนายพันก็ตามสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความเจริญของมนุษย์ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความประเสริฐของคนความประเสริฐหรือความเจริญของคนนั้นอยู่ที่คุณธรรมความดีเช่นความกตัญญูกตวเวทีความมีสัมมาคารวะความมีความเมตตา อบอ้รออีอะไรีรอ้อเอฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ที่รู้จักให้อภัยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าคุณงามความดีคุณงามความดีนี้แหละคือเหตุที่จะทำให้บุคคลเป็นผู้ดีเป็นผู้ที่ประเสริฐความประเสริฐของคนไม่ได้อยู่ที่ชื่อบางคนนี่เกิดมา พ่อแม่ตั้งชื่อให้มาอยู่มาได้หลายสิบปีก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเจริญเลยไปหาหมอดูหมอดูเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อถึงจะเจริญชื่อมันไม่ช่วยให้คนเจริญหรอกคนเราที่ชื่อดีๆอยู่ในคุกอยู่ในตารางก็มีต้องเยอะแยะไปนยบุญนายบุญนวาสนาทีอยู่ในคุกก็มีถูกโทษประหารชีวิตก็มี มันไม่ได้อยู่ที่ชื่อของคนเราชื่อนั้นเป็นเพียงแต่สมมุติทานั้นเองสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นอยู่ที่คุณสมบัติในตัวของเราเองต่างหากเช่นเขาจะมาสมมุติว่าเราเป็นเดรัจฉานเป็นสุนัขหรือเป็นโคเป็นกระบือแต่ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติของเดรัจฉานของโคหรือกระบือ อยู่ในใจของเราต่อให้เขาเสกเขาเป่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถทำให้เราเป็นสุนัขเป็นโคเป็นกระบือได้แต่ถ้าเรามีคุณสมบัติของเดรัจฉานอยู่ในใจของเราต่อให้เขาไม่ต้องมามาเสกมาเป่ามาว่าเราว่าเราเป็นสุนัขเป็นโครหรือเป็นกระบือเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วหละมันเป็นความจริงคุณสมบัติที่ทำให้ สัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นโคเป็นกระเบืองเป็นสุนัข ก, ก็คือการไม่มีศีลธรรมนั่นเองคือถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ยังลักทรัพย์ลักขโมยยังประพฤติผิดประเวณียังโกหกหลอกลวงอยู่แล้วต่อให้ใครเข้ามาตั้งให้เราเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ยังไม่ถือก็ยังไม่สามารถที่จะมารบล้างความเป็นเดรัจฉาน ที่มีอยู่ในใจของเราได้การที่เราจะลบล้างความเป็นเดรัจฉานของเราเราก็ต้องลบล้างเหตุที่สร้างความเป็นเดรัจฉานให้เกิดขึ้นเหตุของความเป็นเดรัจฉานก็ยังที่ได้แสดงไว้แล้วคือการไม่มีศีลธรรมนั่นเองถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงอยู่ก็ยังถือว่าเป็นเดรัจฉานอยู่ เพราะนี่คือเหตุที่ทำให้จิตรหรือให้ให้ใหสัตว์โลกนั้นเป็นเดรัจฉานไม่ใช่เป็นที่ชื่อเสียงเรียงนามทำให้บุคคลคนหนึ่งคนใดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดมีคุณธรรมอันดีงาม ในใจของเราเพราะถ้าเรามีคุณธรรมที่ดีงามในใจของเราแล้วคุณธรรมนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญความประเสริฐโลดโลกอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนั้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านสมมติตัวของท่านเองขึ้นมาว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวก แต่เป็นผลที่เกิดจากความประพฤติ ท, ที่ดีงามของท่านนั่นเองท่านกระทำในสิ่งที่ดีที่งามไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งตนอยู่ในความดีงามเช่นมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารี มีมุดิตาจิตมีอุเบกขาธรรมนี่คือคุณธรรมที่จะส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐและเมื่อเป็นบุคคลที่ประเสริฐแล้วไปอยู่ที่ไหนย่อมสร้างแต่ประโยชน์ย่อมสร้างแต่คุณย่อมเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกๆุกคนปรารถนาที่อยากจะเข้าใกล้ เป็นบุคคลที่จะมีแต่คนสรรเสริญเยืนยองมีความชื่นชมยินดีนี่ก็เป็นเพราะว่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจของบุคคลนั้น น, น, นั่นเองเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันสาวกถึงแม้ท่านจะได้เสด็จดับขันปริณิพานไปเป็นเวลายาวนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตาม แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอยู่ในใจของพวกเราพวกเราเวลาได้เห็นพระพุทธรูปก็จะที่อดที่จะกราบไหว้บูชาไม่ได้นี่แหละคือคือพลังหรืออำนาจของคุณงามความดีความ ค, ความดีคุณงามความดีนั้นมีแต่ให้คุณให้ประโยชน์ให้ความสุข เปรียบเหมือนกับน้ําเย็นน้ําเย็นเวลาเรารับประทานเข้าไป mm. ก็จะทําให้ร่างกายเรามีความสดชื่นเบิกบานไม่เหมือนกับไฟซึ่งเปรียบเหมือนกับความชั่วเวลาทําความชั่วเข้าไปแล้วเปรียบเหมือนกับองค์ฐานหินก้อนร้อนๆเข้าไปในร่างกายของเราก็จะมีสร้างแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับร่างกายของเรา เวลาเราไปกระทำความชั่วความไม่ดีทำบาปใจของเราจะมีความร้อนรนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจแต่ถ้าเราทำแต่ความดีใจของเรานั้นจะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขเช่นเวลาที่เราได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญให้ทานเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละความสุข ที่เรามีให้กับผู้อื่นเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความปิติมีความสบายใจเพราะนี่เป็นธรรมชาติของความดีกับใจเหมือนกับน้ํากับต้นไม้ถ้าต้นไม้ได้น้ําอยู่อย่างสม่ําเสมอต้นไม้ก็จะมีความชุ่มชุ่มชื้นมีความเจริญงอกงามถ้านในทางตรงกันข้าม ธรรมชาติของไฟหรือความชื่อก็เปรียบเหมือนกับไฟไฟนั้นถ้าเขา้าไปถูกกับต้นไม้ก็จะเผาให้ต้นไม้นั้นสลายหายไปไม่ไม้สูญหายไปกลายเป็นขี้เถ้าไปได้ฉันใดความช่่อหรือบาปกรรมกับใจก็เป็นเหมือนกับไฟกับต้นไม้เวลาเราทำความชื่อเราทำบาปเช่นเราไปเบียดเบียนผู้อื่น ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปโกงผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีผิดสามีผิดภรรยาผิดลูกผิดเต้าของผู้อื่นเราจะมีความวุ่นวายใจตามมาในเบื้องต้นเราอาจจะมีความสุขในขณะที่เราได้เศษหรือได้กระทําในสิ่งนั้นๆนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะนั้นจิตของเรากําลังเมามัน กำลังมีความหลงครอบงาอยู่เลยทําไม่เห็นไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปทีหลังแต่หลังจากที่เราได้กระทาความบาสนั้นแล้วเมื่อจิตของเราสงบตัวลงเราเริ่มมีความสำนึกผิดขึ้นมาเราก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจมีความทุกข์ตามมานี่เป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาที่เห็นได้ ทันทีทันใดในใจของเราทุกๆกคนทำดีใจย่อมเย็นใจย่อมมีความสุขทำชั่วใจย่อมร้อนใจย่อมมีความทุกข์และนอกจากนั้นแล้วยังมีผลที่ตามมาจากภายนอกอีก mm hmm. เช่นถ้าเราไปทำบาปทำกรรมก็จะต้องถูกเขาจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมจะต้องถูกเขามาเอาคืนไปเราทำเขาอย่างไรเขาก็จะต้องกลับมา ทำเราอย่างนั้นถ้าเราให้ความสุขกับเขาเขาก็จะให้ความสุขกับเราถ้าเราให้ความทุกข์กับเขาเขาก็ต้องให้ความทุกข์กับเกับเรานี่คือสิ่งที่จะตามมาแต่สิ่งนี้อาจจะมาช้ามาเร็วก็ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันแต่จะต้องมาแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าไมถ้าไม่มาในชาตินี้ ก็จะตามมาในชาติหน้าและเช่นเดียวกันสิ่งที่เราทาไว้ในชาตินี้จะว่าดีไม่ว่าดีหรือชั่วกะตามจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งให้เราไปเกิดในชาติหน้าต่อไปเราจะไปที่สูงหรือเราจะไปที่ต่ำไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขคติก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในชาตินี้ ถ้าเราทำแต่บุญแต่กุศลทาแต่คุณงามความดีถึงแม้ผลของความดียังไม่ปรากฏขึ้นมาในชาตินี้แต่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งให้เราไปเกิดในชาติหน้าในภพชาติที่ดีต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำความดี ทำบุญทำกุศลในทางตนกันข้ามถ้ากระทําแต่บาปแต่กรรมเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นการแกล้งผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆเมื่อตายไปเหตุปัจจัยที่จะส่งให้เราไปเหตุปัจจัยของบาปของกรรมจะส่งให้เราไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสัมหรรคนี่คือผลที่จะตามมาจากการกระทําความชั่วการกระทําบาปนี่แหละคือเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราไม่มีใครเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างนรกให้กับเราไม่มีใครสามารถจะเสก จ, จะเป่าให้เราเป็นพระอริยะบุคคลหรือเป็นเดรัจฉานได้ เราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้เสกผู้เป่าให้เราเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดาให้เราเป็นสัตว์นรกหรือให้เราเป็นเทพก็เกิดจากการกระทำของเราในปัจจุบันชาตินี้การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดในเบื้องต้นใจจะต้องเป็นผู้คิดก่อน เมื่อคิดแล้วถึงจะสั่งงานไปสู่วาจาและกายต่อไปอย่างวันนี้ที่ท่านมาที่วัดนี้ได้ในเบื้องต้นใจท่านต้องจะคิดเสก่อนแล้วว่าพวกนี้เป็นวันพระควรจะไปทำบุญทาทานเสียบ้างก็เลยสั่งการไปที่วาจาไปที่เพื่อนญาติสนิทมิตสหายชวนกันไปบอกว่าพรุ่งนี้เราไปทำบุญที่วัดกันไหมนี่ และเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ตอบตกลงว่าเออไปที่วัดไปทำบุญกันก็ดีไม่ได้ทำมาเสียก็ต้องนานมีแต่งวัวแต่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากทั้งหลายจนกระทั่งทำให้เราลืมใจของเราทำให้เรานั่นจะต้องไปพัวพันกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่ฉุดลากให้เราลงไปสู่ที่ต่า พรุ่งนี้เราไปไว้กันสักวันกด็ดีเพื่อจะได้ไปชำระกิเลสตัณหาไปชำระสิ่งสกบกเครื่องสร้าหมองทั้งหลายที่มีในใจของเราเพื่อใจของเราจะได้มีความสดชื่นเบิกบานนั่นหลังจากใจได้สำการไปแล้ววาจา ก, กับการกระทาทางกายก็ตามมาต่อก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจตั้งสติไว้เสมอว่า ตนเช้าต้องตื่นเช้าเ้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้และถ้ามีเป็นคนที่มีความแน่วแน่มั่นคงต่อความคิดของตอนแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะตื่นก็จะลุกตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะมีอะไรมาทำให้ไม่อยากจะตื่นเช่นเมื่อคืนนี้อาจจะออกไปข้างนอกดึกไปหน่อยนอนดึกไปหน่อยแต่เมื่อได้ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่แล้วว่าจะมาวัดให้ได้ ก็ต้องงหัวขึ้นมาให้ได้ตะเกียกตะกายขึ้นมาให้ได้ไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนมาทำลายเจตนาที่ดีของเราต้องพยายามทำให้ได้เพราะเรารู้ว่าเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่จะทำให้เราดีได้ทำให้เราสุขให้เราจเจริญได้หน้าการที่เราจะทำเราก็ต้องมีความอดทน มีความขยันจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่จะมาคอยขวางหน้าเราเพราะการทำความดีการทำบุญนั้นเปรียบเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขามันไม่ใช่เป็นของง่าย<ม>เพราะอะไรถึงเปรียบเหมือนกับเป็นเข็นคกขึ้นภูเขาเพราะว่าโดยปกติใจของพวกเรานั้นมีนิสัยที่ชอบปกระทำไปในทางที่ไม่ดี คือทางตรงกันข้ามกับความดีนั่นเองดังนั้นเมื่อเราจะต้องทําอะไรที่ฝืนนิสัยของเราจึงเปรียบเหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเขามันยากมันต้องใช้พลังต้องใช้กําลังต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะสามารถเข็นครกขึ้นภูเขาได้แต่ถ้าเราทยายามทำไปอยู่เรื่อยๆต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยแล้ว การกระทำความดีต่อไปก็จะเปลี่ยนเหมือกับการเดินลงจากภูเขาลงมาถ้าเราได้เข็นโรบขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วทีนี้เวลาจะไปต่อไปมันก็ไม่มีที่สูงกว่านั้นแล้วมันก็มีแต่การเดินลงมามันก็สบายเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำความดีในเรื่องต้นนั้นจึงจะรู้สึกยากลำบากเพราะว่าถ้าเราทำความดีได้ง่ายแล้วเราจะต้องไม่มาเกิด มทรมานอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้หรือจะเป็นก็จะเป็นคนที่มีบุญมีกุศลเป็นคนที่ได้ทําบุญมามากซึ่งเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ทําบุญมาไม่ค่อยมากไม่ค่อยพอจึงมีความรู้สึกว่าการทําความดีทําบุญนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่พูานี้หมายถึงคนที่คนส่วนใหญ่แต่ก็มีคนส่วนน้อยบางส่วนที่ ได้ทาบุญมามากแล้วการทำบุญของเขาจึงเป็นเรื่องปกติวันไหนถ้าเขาไม่ได้ทำความดีเขาจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างนี่คือลักษณะของคนที่ได้ทำบุญมามากแล้วในทางตรงกันข้ามสำหรับคนที่ยังทำความดีทำบุญมาไม่มากพอถ้าวันไหนเขาไม่ได้ทาความเชั่อทำบาปแล้วเขารู้สึกว่าจะไม่ปกติถ้าวันไหนไม่ได้กินเหล้าไม่ได้โกหก หอกลวงไม่ได้ทํากงโกงอะไรกงคนอื่นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ปกติรู้สึกว่าไม่สบายใจนี่ก็คือเรื่องของใจของแต่ละคนใจที่ดีและใจที่ไม่ดีจะมีลักษณะแตกต่างกันดังนั้นสรุปได้ว่าใจที่ดีนั้นทําบุญง่ายทําความดีง่ายใจที่ไม่ดีนั้นทําความดียากแต่ทําความชั่วง่าย ยังขอให้เราสังเกตดูใจของเราว่าเป็นลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะที่ทำความดียากทำความเชั่วง่าย mm hmm. ก็ขอให้เราระมัดระวังบอกตัวเราว่าเรากำลังเข้าขีดเส้นแดง mm hmm. คือใกล้นรกเข้าไปใกล้ความเป็นเดรัจฉานใกล้ความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเข้าไปควรที่จะขวนขวายวิ่งเข้าหาคุณงามความดีให้มาก เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในที่ไม่ดีมีใครอยากจะเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างมีใครอยากจะเป็นเปรกเป็นอาศุรกายไปเป็นสัตว์นรกบ้างไม่มีใครหรอกทุกๆคนก็อยากจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นครมเป็นพระอริยบุคคลด้วยการทงนั้นแต่ความอยากเฉยๆนั้นไม่เป็นเหตุที่จะนำพามาซึ่งผลที่เราปรารถนาที่เราต้องการกัน ผลที่เราปรารถนานั้นต้องเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเริ่มต้นที่ความคิดเป็นเบื้องต้นเพราะก่อนที่เราจะพูดหรือจะกระทำอะไรเราต้องคิดซะก่อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งการณ์กายเป็นผู้รับคำสั่งกายเป็นคนใช้ใจเป็นเจ้านายเจ้านายดังนั้นเราจึงต้องอบรมใจเราให้คิดไปในทางที่ดีให้รู้จัก ผิดถูกดีชัว่วนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกร Earlier, เรื่องสวรรค์เรื่องดีเรื่องชัว่วได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอารหันต์สาวกทั้งหลายและไม่มีที่ไหนที่จะมีพระอารหาันต์สาวกมีพระพุทธเจ้าอยู่นอกจากพระพุทธศาสนาคือวัดวาอารามต่างๆ ท่านจึงต้องมาที่วัดกันอย่างในวันนี้เป็นวันธรรมวัฒน์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้เป็นอุบายที่จะดึงพวกเราให้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมมาอบรมบ่มนิสยัยมาให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนรกและสวรรค์เพื่อเราจะได้รู้จักแยกแยะรู้ว่าอะไรคือนรก ถ้ารู้ว่าการกระทานี้เป็นเหตุที่จะนำไปสู่นรกก็จะได้หลีกเลี่ยงเสียไม่กระทาถ้ารู้ว่าการกระทานี้เป็นกระทาที่จะนำเราไปสู่สวรรค์นำเราไปสู่ความสุขความเจริญเราจะได้กระทาสิ่งนั่นเสียขอให้เราจงมองผลในระยะยาวอย่าเอาแต่ผลในระยะสั้นคนบางคนชอบดูแต่ของผลในระยะสั้น คือทาอะไรขอให้ทาได้ดังใจก็มีความสุขแล้วโดยที่ไม่คิดว่าผลระยะยาวที่จะตามมาที่หลังต่อไปจะเป็นอย่างไรเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราขึ้นมาก็รีบวิ่งเข้าหาสุราหาสุรามาดื่มโดยไม่นั่งคิดเสียก่อนว่าผลที่จะตามมาต่อไปในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไรจรึงอยู่เวลาที่เราดื่มสุราในขณะที่เรามีความอยาก เราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราไปดับความอยากได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันเป็นความมนเป็นการดับไฟเหมือนกับเทน้ำมันเข้าไปในกองไฟเวลาเราเทน้ามันเข้าไปในกองไฟไฟก็จะรู้สึกจะดับลงเพราะว่าน้ำมันยังไม่ได้ไหม้น้ามันยังเป็นเหมือนน้ําอยู่มันเป็นมันเป็นมันเป็นมันไปคล้ายๆมันไปช่วยดับไฟให้ สงบตัวลงสักระยะหนึ่งแต่พอเมื่อน้ำมันนั้นเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเทนี้ไฟมันจะปะทุ ข, ขึ้นมาร้อนยิ่งกว่าก่อนที่เทน้ำมันลงไปในกองไฟนั้นเสียอีกฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่เราอยากเสพสุราแล้วเราได้เสพสุราในเบื้องต้นเราก็จะรู้สึกว่าสบายโล่ง อ, อกเพราะความอยากนั้นมันได้สงบตัวลงไป แต่สักครู่หนึ่งความอยากนั้นมันจะทวีคูณขึ้นมาคนจึงต้องเสพโซลามเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็เสพวันละแก้วสงแก้วต่อไปก็กลายเป็นวันละครึ่งขวดและต่อไปก็กลายเป็นวันละขวด น, นี่ก็คือลักษณะของการโทษของการเสพโุรายาเมาที่จะตามมาในระยะยาวต่อไปความสุขที่ได้ในเบื้องต้นนั้น ไม่คุ้มกับความทุกข์ความหายณนะที่จะตามมาต่อไปในในบ้ในบ้านกลายคนที่เสพสุรายาเมาเป็นอาจินนั้นจะมีสุขภาพที่ไม่ดีและจะต้องตายก่อนวัยนี่คือผลที่เกิดจากการเสพสุรายาเมาไม่นับกับผลอย่างอื่นที่จะเกิดตามมาอีกมากมาย mm hmm. เช่นเวลาเสพสุรายยาเมาเข้าไปแล้ว mm hmm. ก็จะไม่มีสติประคับประคองใจ ใจคิดอะไรก็จะพูดออกมาจะทำออกมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดที่ไม่ดีเวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคนที่ต้องได้ยินได้ฟังต้องรับผลจากการกระทาของคนก็จะต้องเดือดร้อนกันไปทั่วไปหมดคนที่เสพสุราแล้วยามามจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าใกล้เป็นคนที่สังคมรังเกียจทั้งๆ ท, ที่สังคมเองก็ใช้สุรา เป็นเครื่องเข้าหากันแต่เมื่อเกินความพอดีเสพไปจนกระทั่งกลายเป็นสุรากินคนไม่ใช่คนกินสุราคนนั้นก็เลยกลายเป็นไม่ใช่เป็นคนไปแล้วเป็นเหมือนกับไดรอดชนันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่ก็คือโทษของการเสพสุราที่ผู้ที่เสพนั้นไม่ได้คิดถึงโทษที่จะตามมาภายหลัง แต่คิดแต่ในระยะสั้นๆใกล้ๆว่ากินเข้าไปแล้ว ม, มันสุขมันสุขมันสบายแต่ไม่คิดถึงผลร้ายผลเสียที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรขอให้เราคิดให้ดีเสียก่อนว่าความสุข